แต่ตามไม่จนิงมันก็นจะเทแส่หม่องพวกเข้าใส่บาดวาแต่เข้าใส่ใ่สาราใหญ่เส่บาดเลยเลยปลอดภัยวันู้ไปตกแห้งไปได้เขากับบดได้แข้งฝนเนี่ยมัใส่ได้สาราใหญ่สบายเลยใส่บาดฝนไม่ตกฝนก็เทอย่างหนักเลยถ้าลุงพ่อว่าถ้าตกขนาดได้สักสองสามชั่วโมงเนี่ยโอ้น้ำานี่ยเปต้องพูดถึงนะอันนี้ตกไม่ถึง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 ในการประกอบคุณงามความดีของพวกเราวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันสมาทานศีลหศีลอุโบสถศีลห้าศีลปดเพราะเป็นวันพระที่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีล นะโมตัสสะภคะวะโตอราหาโตสัมมาสัมพุทธัธสสะปะทาที่ <สา S 1> เลนะเนปุติยันติตัตมาสีหลังวิโสทเย า, <ส>าตั้งใจฟังหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังตามไม่จริงกลุ่มบางกลุ่มเขาก็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 ผลีนสุดก็เลยพวกเราก็เลยมาวัดกเกลยไม่เป็นผึกแผ่นเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมถึงจะอึดอัดไปสักหน่อยแต่ไม่ใช่จะเป็นอึดอัดแต่พวกคณะสัทธา ญ, ญาติโยมนะหลวงพ่อเองคนพูดีอึดอัดเหมือนกันพอเอนพราะยังไม่ได้ฉันจังหันแขไามล่ะฉันจังหันแต่เมื่อวานเลยมาวันนี้ก็ยังมาพูด อ, อีก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 หลวงปู่ลีเนี่ยถึงจะเอาไม้ไปจ่อปากเธอไหท่านก็พูดไม่ออกเป็นฟับพาอะไรพราะแกใช่หหลวงพ่ออินของพวกเราท่านทั้งหลายนะอีกไม่นานเมื่อลุองพ่อพูดได้เนี่ยหลวงพ่อก็จะมีแสดงมีอะไรในความคิดเห็นในเรื่องอะไรหลวงพ่อก็จะแสดงให้ฟังพูดให้ฟัง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 กระตุ้นหัวใจให้กับโรงพยาบาลน้องโบลํำพูแล้วกัเครื่องเครื่องหนึ่งเครื่องมือแพทย์ให้กับน้องโบลํำพูเราเนี่แหละแล้วก็เนี่ยเมื่อไม่นานเมื่อวานนี้ก็ทางอําเภอชุมแพก็เข้ามาอีกมาขอเครื่องมือที่หลวงพ่อเคยสงเคราะห์หลวงพ่อกขาไม่ปฏิเสธเรื่องช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่เขาก็อยากจะได้เครื่องผ่าตัดผ่าตัด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 เก้านาฬิกาสิบนาิกานี่แหละวันอาทิตย์เนอะวันที่ห้านะพวกนัศสัทายาติโจงผู้ใดจะมาร่วมมอบรถแอมเบรนนะราคาก็ล้านเก้านะรถคันนี้ลงเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะเอารถระดับไหนหลวงพ่อบอกรถเมืองอุดร น, นี่ยได้ตามเสด็จบ่อยแล้วเราจะไปเอารถสองพันห้าเนี่ยกำลังคงจะน้อยไป เอาสามพันเลยน ะ, ะกำลังให้เพียงพอรถสามพันรถตู้แอมบูเขาวเขาอุท้างั้นก็ประมาณล้านเก้านะหลวงพ่อ <c oughs> ถ้าว่าต่ำกว่านั้นราคาจะลดลงแต่รุ่นนี้ทั้งมีทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจมีทั o ้งออกซิเจนครอบอยู่ในนั้นหลวงพ่อเออเอาให้ครบตามที่ต้องตามที่ทางโรงพยาบาลเคยสั่งนั่นแหละเอา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 ได้นัดกันไว้อย่างนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งที่พวกเราคณะทรไทาญาติโยมได้ทำลงไปก็เพื่อไม่ใช่เพื่อใคร เ, เพื่อพพุทธาศาสนา อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่เขาประนามว่าพระพุทธศาสนาเป็นกาฝากสังคมเขาไม่ได้ดา่าหลวงพ่ออินองค์เดียวนะเขาด่าทั้งทีมเลยด่ามดทุกองเลยมันก็พูดที่ไม่ได้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 ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายนะได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมเนีเ่สำหรับองค์หลวงตาเองท่านเป็นผู้นำเอาทองคำเข้าคลังหลวงตั้ง13าตันกว่าแล้วก็พร้อมกันก็เงินส0บล้านกว่าดอลลาร์เข้าไปนอนสงบนิ่งอยู่ในคลังหลวงเป็นเครื่องประกันสำหรับให้เงินบาทของเรามีคุณค่าขึ้นเหมือนกับเป็นหลักประกันเป็นหลักประกันธ น, น, นบัตร